ในระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีการพูดกันถึงเรื่องของการต่างประเทศของเราบ่อยมากโดยเฉพาะกรณีเขาพระวิหารแต่ว่าวันนี้ก็คงจะไม่ได้คุยลึกไปในเรื่องของเรื่องราวประเทศเขาพระวิหารที่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องทางการเมืองอไปด้วยเนี่ยนะคะเพราะว่า ก็มีคนพูดไปเยอะแล้วเรามาพูดเรื่องเกี่ยวกับาการทูตการต่างประเทศในแง่ของธรรมะกันบ้างดีกว่านะคะ <c oughs> ก็อยากจะนมัส ก, การพระคุณเจ้าเพื่อที่จะเรียนถามว่าในทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยมีการกล่าวไว้หรือไม่ <c oughs> เกี่ยวกับคนที่จะเป็นนักการทูตว่าควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเพราะถือว่ า, าเรื่องของนักการทูตเนี่ยเป็นบทบาทที่สาคัญมากะคะ่ะ <c oughs> ผู้เจ้าก็ได้บอกไว้อยู่เหตุของการบอกตรงนี้ก็คือในคราวที่พระเทวทัตเนี่ยดึงสาวกไปจากผู้เจ้าได้เป็นจนํานวนมากเนื่องจากอาขอในสิ่งที่ผู้เจ้าปฏิเสธไม่ให้แล้วก็เมื่อผู้เจ้าปฏิเสธเนี่ยพระเทวทัตจะรู้ว่าคนเนี่ยจะรู้สึกว่าพระเทวทัตเนี่ยมีความเคร่งคัดกว่าพระผู้เจ้าแล้วก็สําเร็จตามนั้นจริงๆเช่นว่าขอให้ภิกษุเนี่ยอยู่คนไม้ ตลอดชีวิตเข้าสู่ที่มุงบางมีโทษต้องถือ้าบางสกุลตลอดชีวิตนะรับค่าพดีจีวรมีโทษคือจีวรที่เขาถวายเนี่ยไม่งั้นภิกษุเนี่ยรับจีวรขายไม่ได้นะ อ, อยู่กุฏิวิหารไม่ได้ <okay. S 1> หรือว่าภิกษุต้องอห้ามฉันเนื้อตลอดชีวิตฉันเนื้อมีโทษพระาจ้าก็บอกไม่ให้นะแล้วแต่ถ้าเนื้อ น, นั้นเนี่ยไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกต ว, ว่าเขาฆ่าเพื่อเราเนี่ยก็ฉันได้แล้วเมื่อขอ เรื่องต่างๆเนี่ยผู้เจ้าไม่อนุญาตทั้งหมดก็เลยปร ะ, ประกาศในกรุงราชดริ้ว่าผู้เจ้าเนี่ยเวียนไปสู่ความมากๆแล้วน ะ, ะ, ะคนก็เชื่อภิกษุก็เชื่อก็กลับเข้าไปเป็นฝ่ายของพระเทวทัตผู้เจ้าก็เลยให้พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลา น, นะไปดึงกลับมาไปหาไปดึงกลับมาพระสารีบุตรก็ไปหลังจากนั้นก็สามารถดึงสาวกกลับมาได้ทั้งหมดนะผู้เจ้าก็เลยสรรเสริญพระสารีบุตรว่ามีองคุณของผู้เป็นทูตผู้สมควรเป็นทูต <น>แล้วดวยวิธีอย่างไรล่ะคะในองค์คุณนั้นก็คือผู้เจ้าบอกว่าสารีบุตรเนี่ยมีคุณคือว่ารู้จักรับฟังผู้อื่นอันดับแรกรับฟังผู้อื่นนะอย่างที่สองเนี่ยทำให้ผู้อื่นเนี่ยฟังตนนอกจากฟังผู้อื่นแล้วเนี่ยต้องทําให้คนอื่นเขาฟังตัวเองด้วยอย่างที่3ต่อไปเนี่ยผู้เจ้าบอกสารีบุตรเนี่ยกําหนดจิตฟังก็คือมีความตั้งใจนะกําหนดจิตที่ฟังคือไม่ใช่ฟังไป ลอยๆเฉย ๆ, ๆแต่เอาใจฟังไม่ใช่ทำท่าฟังใส่ใจฟังใส่ใจรับ <c oughs> <c oughs> แล้ว <c oughs> ขณะที่สารีบุตรฟังเนี่ยก็มีความทรงจําดีจําในสิ่งที่เขาพูดได้เพราะความทรงจำเนี่ยเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรมไม่งั้นเราจะใกลควรธรรมะไม่ได้ถ้าเราไม่มีการทรงจําที่ดีจากนั้นเนี่ยภาษารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ฉลาดที่จะรู้คําพูดของผู้อื่นเพราะฉะนั้นคุณธรรมของหน้าการทูตอย่างหนึ่งคือรู้จักคําพูดของผู้อื่นว่า เขาพูดมาเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรแล้วก็ต้องรู้จักทําให้ผู้อื่นเนี่ยรู้คําพูดของตน <Okay. S 1> เราพูดอะไรไปเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดออ mm hmm. ืต้องทําให้เขาเข้าใจนะอธาจธารย์ที่ใบให้ดมีมันมีทั้งหมดแปดข้อ oh, <okay. S 1> นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือคนเป็นเป็นทูตเนี่ยต้องฉลาดในประโยชน์และสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์อย่างไรนะเราจะพูดอะไรไปเนี่ยเราต้องรู้ว่าอันนี้นะเป็นประโยชน์ต่อเรานะ อันนี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อเรามไม่งั้นเดี๋ยวการต่อรองการพูดไปมันก็ผิดพลาดไง<ะ>แล้วอย่างสุดท้ายที่สำคัญก็คือไม่ชวนทะเลา ะ, ะเป็นทูนี่ไปชวนทะเลาะไม่ได้ <laughs> ถึงว่า กระทรวงการต่างประเทศนี่ก็ได้ยินว่าเขาก็ต้องอบรมมากพอสมควรเหมือนกันนะคะถ้าไม่มีความหนักแน่นนักการทูตแต่จริงๆแล้วจะว่ากันไปเนี่ยทูตเนี่ยอาจจะมีคนที่มีโอกาสเข้าไปประกอบอาชีพนี้อยู่จํานวนหนึ่งซึ่งไม่มากนักแต่สามารถที่จะนําไปใช้ในกรณีทั่วๆไปได้เหมือนกันนะคะคนที่เจรจาโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยความขัดแย้งซึ่งเรามีความรู้สึกว่าถ้าพูดกันให้มากกว่านี้ แล้วพูดด้วยท่าทีที่สร้างสรรค์ใช่ใช่ในลักษณะนี้พอจะเอาอยู่ไหมคะสำหรับกรณีข้อขัดแย้งอื่นๆก็ก็น่าจะพอได้เช่นเราเอาข้อแรกมาที่ผูเจ้าตัดก็ได้คือรับฟังผู้อื่นเราต้องรู้จักรับฟังเขาไม่ใช่พยายามจะให้เขาฟังเราอย่างเดียวอย่างแต่นี่เป็นปัญหานะคะท่านไอตอนเป็นผู้น้อยเนี่ยมันก็ฟังคนอื่นพอได้พอไปเป็นคนมีอานาจว่าสนาสังเกตนะคะอ่าใช่จะ มีเวลาน้อยหรือยังไงก็ไม่ทราบจะฟังน้อยลงะอะค่ะจะฟังน้อยลงใช่คือมีความยึดมั่นในความเห็นของตัวเองมากขึ้นแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะเพราะประสบการณ์ตัวเองที่สั่งสมมามากก็ได้ทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นพู้เจ้าเลยบอกพิสูจเก่าต้องทำตัวให้เหมือนพิสูจใหม่อย่าคิดว่าเป็นพิสูจเก่านะแล้วรู้มากะนะมันจะมีความยึดมั่นมากขึ้นะนะมันเป็น มันไม่เป็นไปเพื่อการพ้นจากกิเลสพ้นจากความแก่เจ็บตายได้นั้นเราต้องถ่ายถอนความยึดมั่นออกไปแม้แต่ความเห็นของเราเองที่เคยบอกว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไง<ฮ>ย่ามั่นใจว่าเออความเห็นของตัวเองนะถูกต้องแน่นอนแล้วเท่านั้นต้องวางใจเป็นกลางกลางก่อนเปิดรับฟังว่าคนนั้นมีความเห็นยังไงคนนี้ความเห็นยังไงเนี่ยงั้นแสดงว่าสิ่งที่เรารู้ มาตั้งนานแล้วแล้วก็เหมือนกับมีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นเขาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าใช้ได้ตลอดไปเลยยังไงคะถึงได้บอกให้ทําตัวเหมือนใช่เพราะ ว, าาว่าเหตุเหตุปัจจัยมันมันเปลี่ยนไปไงเพราะนั้นคําพูดของผู้เจ้าเนี่ยไพรวรรธิสุดเลยว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เรียกว่าปฏิจจสุบาตทามันเป็นธรรมาชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยก็เท่ากับว่า การรับฟังผู้อื่นต่อให้ท่านมีประสบการณ์อย่างไรก็ควรที่จะเปิดหูใช่ใเพราะมันมีคุณมากใช่ใช่เพราะเหตุการณ์เงื่อนไขต่างๆเปลี่ยนแปลงตามกฎของอนิจจังสิ่งนี้ที่เราเคยใช้เราได้ผลอนาคตอาจจะไม่ใช่ก็ได้ค่ะทีนี้อีกข้อหนึ่งอยากจะให้อธิบายให้ละเอียดอีกนิดนึงนะคะคุณสมบัติของนักการทูตที่ว่ามีความสามารถในการทําให้ผู้อื่นฟังตนเนี่ยจะด้วยวิธีใดค่ะ ทาทีต้องรู้จักจังหวะจากคนรู้จักการล ะ, ะ, ะยิ่งเรื่องการละในพระเจ้ายกมาอันดับหนึ่งเลยในเรื่องของการพูดถ้าไม่รู้จักการละแล้วเนี่ยถึงเป็นคําพูดที่ประกอบด้วยประโยชน์เรื่องจริงเรื่องแท้ก็ตามเนี่ย ก, ก็จะไม่มีประโยชน์ทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักจังหวะจากคนวา่าเวลานี้เขาเขาอารมณ์เขาร้อนควรจะพูดไหมอย่างเนี้ยเวลานี้ เขาไม่น่าที่จะฟังเร า, าเราก็อย่าเพิ่งพูดใช่ๆนะคะแล้วก็ต้องกำหนดจิตในการฟังอันนี้ต้องเป็นตัวเองละที่รู้จักฝึกสติฝึกสมาธิเพราะถ้าคนที่มีสมาธิดีก็จะมีความทรงจำดีมีการตั้งใจฟังที่ดีเวลาใครเขาด่าว่าเราเนี่ยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาผู้เจ้าบอกว่าให้เธอตั้งใจฟังอย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งตาหนิตีเตียนเขา ไม่งั้นเธอจะรู้ได้หรือไม่ว่าเขาเนี่ยพูดผิดหรือพูดถูกอย่างไรค่ะเพรามาถึงข้อนี้ <c oughs> ตอนแรกนึกว่าไม่มีรายละเอียดอะไรมากแต่ฟังดูแล้วสำคัญจริงๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าเอาตัวเราเองขึ้แนแล้วกันแล้วก็เมื่อเราวางใจเป็นกลางๆแล้วเนี่ยเราจะรู้คาพูดเขาโดยละเอียดและผู้เจ้า ก, ก็บอกว่าให้แก้กลับไปว่าสิ่งนั้นมีในเราสิ่งนั้นไม่มีในเราเรามีอย่างนี้เราไม่มีอย่างนี้น ะ, ะหมายความว่า ที่เขาพูดนะตั้งใจฟังแล้วจะได้รู้ว่าจะตอบเขาอย่างไรจะตอบเขาอย่างไรถูกต้องใช่แล้วเขาพูดผิดอย่างไรเราจะได้แก้ไปถูกเท่านคะทีนี้บางเรื่องก็ลําบากเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเรื่องของเวลามีม็อบเวลามีการชุมนุมเวลามีการขึ้นแบบพิปรายก็ฟังดูแล้วมีการกล่าวหากันซะทั้งนั้นนะคะแล้วฝ่ายโต้ตอบหรือกล่าวหาก็แล้วแต่ก็คล้ายๆกันคือเต็มไปด้วยอารมณ์ทีนี้ มันจะมีโอกาสเหรอคะกรณีแบบนี้ที่จะตั้งจิตฟังแล้วค่อยๆตอบอ๋ อ, อ, อ ก, ก็ในเมื่อไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสตอบเพราะเป็นการการพูดฝ่ายเดียวค่ะเราถึงควรจะใช้ภูมิปัญญาของพระเจ้าตรงวิธีระงับอธิกร7วิธีไงที่สามุขาวินยัยสติวินยัยอมูลหาวิ น, ยนยัยปฏิญญาแต่กัลลนองเนี่ยเยปุยสิกาใช่ไหมก็คือเช่นสามุขาวินยัยเอาทุกฝ่ายเนี่ยมานั่งประชุมคุยกันค่ะนะ ด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญาณวัตถุบุคคลต่างๆถ้าลงตัวจบก็ถือว่าอธิกรณ์ระงับนะแต่ถ้าไม่ลงตัวไม่จบผู้เจ้าก็ให้ใช้เยปุยสิกาใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณแล้วก็ให้อธิกรณ์ระงับก็คือต้องถือเอาเสียงข้า ง, างมากเข็มก็เป็นเรื่องที่ถ้ามีกําหนดจิตฟังให้ดีในกรณีทั่วไปมันอาจจะง่ายกว่ากรณีอย่างนี้ซึ่งต้องใช้วิธีระงับอธิกรณ์ที่ว่ามีหลายวิธีให้เลือกนะคะ หวังว่ามันต้องไปกำหนดจิตค่ะดิฉันก็เข้าใจเลยตัวเองก็บางครั้งก็ฟังฟังยาวไม่ได้เหมือนกัน uh huh. แต่รู้ uh huh. ว่าถ้าเราสามารถตอบได้ปัญหามันก็จะน้อยลง uh huh. นะคะแต่มันต้องตั้งสติฟังใช่ใช่ใชตั้งตั้งสติมีสมาธิแล้วต้องมีความทรงจําดีคือรู้ว่าเรื่องที่มาพูดเนี่ยใช่ใช่ที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องมันต้องอยู่ในหัวเรานะเราถึงจะมาประมวลอะไรต่ออะไรได้ค่ะฉลาดรู้คําพูดของผู้อื่นใช่ ทำให้ผู้อื่นรู้คําพูดของตนคือต้องพูดรู้เรื่องรู้อันนี้บางคนเนี่ยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องพูดนะคะแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยมีความเข้าใจว่าความสามารถในการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสารอย่างแรกของคนทั่วไปที่ไม่พิการคือการพูดเนี่ย<ช>เป็นสิ่งที่สําคัญมากสำคัญมากไม่ได้สัตว์แต่ว่าพูดได้แล้วจะพูดแล้วมีประสิทธิภาพใช่ใช่ะะหรือแม้แต่คําพูดประโยคเดียวกันเราพูดไปเนี่ยถามว่านักเรียนที่ฟังเราทั้งหมด เ, เข้าใจเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันอีกน ะ, ะใช่ไหพราะนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของคําพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเนี่ยอ ซึ่งต้องทายังไงก็ได้ต้องรู้ภูมิปัญญาของคนฟังเราใ ช, ใช่ไหมคะรู้ว่าต้องพูดด้วยภาษาไหนวิธ uh huh. ีใด uh huh. เขาถึงจะเข้าใจอันนี้ค่ะ uh huh. เป็นศิละปะแล้วก็อยากจะ uh huh. แสดงท uh ัศ huh. นะส่วนตัวว่าถ้าอยากจะเป็นคนประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะฝึกพูด uh huh. ฝึกพูดฝึกสื่อสารเนี่ย uh huh. จะดีมากเลยแล้วก็จะเป็นคนที่ไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่ทําให้คนเข้าใจในคําพูดของตัวเองแล้วก็ทําให้เกิด ปัญหาหรือว่าความขัดแย้งโดยเฉพาะถ้าคิดใหญ่จะเป็นผู้นํเขาเนี่ยนะคะตรงนี้สําคัญจริงๆค่ะทีนี้บอกว่าฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ค่ะก็ต้องรู้ว่าการเจรจาต่อรองเนี่ยเ ร, เราเราเราต้องการประโยชน์อะไระและเราไม่ต้องการประโยชน์อะไระเราควรจะพูดแค่ไหนขนาดไหนอย่างไรอย่างนี้ค่ะกับสุดท้ายคือไม่ชวนทะเลาะใช่ไม่ชวนทะเลาะกับใคร ตรงนี้ตรงนี้ก็สําคัญก็คือพระเจ้าไม่ไม่เน้นการทะเลาะเบาแว้งเลยเน้นสังคสสมมาคีความสัมมาคีของหมู่คณะพูดถึงตลอดเวลาสุขาสังคสะสามมาคีอันนี้เป็นพุทธศาสนสุภาษิตที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสหรือว่าใช่ไหมคะอันนี้ขอสุขาสังคสะสามมาคีความสามมาคีของหมู่ของหมู่คณะคณะก่อให้เกิดสุขอันเนี้ยท่องกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คิดว่าใครที่เรียนพื้นฐาน มันทุกคนก็คงเคยผ่านการท่องคล้ายๆกันแต่ทําไมมันถึงเหมือนกับว่ามีไว้สอบในชีวิตจริงเนี่ยอพอถึงเรื่องใหญ่ๆจริงๆเราต้องหันกลับมาถามจริงนะท่า น, นว่าเอ๊ะเราก็เรียนมานะวัสกาลพรา ม, มสามัคคีเพศคําฉันอแต่แล้วทาไมเราไม่ได้มาใช้ค่ะ อ, อันนี้เป็นเรื่องน่าคิดนะคะแล้วก็วันเนี้ยเราอาจจะจัดรายการถามโลกตอบธรรมแล้วก็มุ่งเน้นที่ว่าจะเอาธรรมะ ที่เชื่อว่าเป็นพระพุทธวจนะแท้ๆของพระองค์ซึ่งเป็นหลักที่รายการนี้อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำรงไว้ซึ่งคำสั่งสอนที่แท้ของพระพุทธเจ้าเพื่อไม่ให้าศาสนาพุทธของเราต้องเสื่อมไปฉะนั้นนี่เป็นเจตนาที่ทางราทพระอาจารย์คึกฤทธิ์สธิธโลและก็ทาง <c oughs> รายการของเรานะคะสัมสีต์สมทนาถามโลกตอบธรรมทาง f m ฟเอ้กสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ของสทรแล้วก็ของช่องสามเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะทำไปในแนวนี้เราก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นประโยชน์แล้วก็วันนี้ในส่วนของเรื่องกรณีคุณธรรมของนักการทูตที่ตรัสเอาไว้ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยความจริงแล้วจะว่าไปเนี่ยถ้าประกอบอาชีพนี้<ม>แล้วก็เป็นคนที่เคร่งครัด<ม>ใน พระพุทธศาสนาถ้าท่านนับถือพุทธศาสนานี่ก็ไม่ต้องไปไปเรียนรู้อะไรมากสามารถไปปรับประยุกใช้ได้ใช่นะคะก็ขอให้เป็นประโยชน์กับท่านที่ทั้งเป็นทูตแล้วก็ไม่เป็นทูตกันแล้วกันนะคะที่ฉันเชื่อว่าเขาบอกลิ้นทูตเนี่ยถ้าใครมีคุณสมบัตินี้ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองจะทำมาค้าขาย ก็ค้าขายได้ดีนะคะไปอยู่ที่ไหนก็ทำให้คนเขารักใคร่สามาัคคีกลมเกลียวกันทำบุญไปด้วยทำงานไปด้วย